ตอนนี้มญาติพี่น้องจากน้องคายมาเยี่ยมเยียนทางน้องคายสกล น, นครอุดรเป็นแหล่งพระอริยพระอริยบุคคลเยอะแยะครูบาอาจารย์ต่างๆพาาาระอรหันตาสาวกอยู่แถวสามจังหวัดนี้สกล น, นคร หลวงปู่มั่นท่านอยู่ที่สะกอ1สิบปีหลังสิบปีสุดท้ายของชีวิตของท่านตรงนั้นก็มีครูบาอาจารย์ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นกันเป็นจำนวนมากพอหลวงปู่มั่นเสียท่านก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางก็อยู่แถวบริเวณสามจังหวัดนี้ไปตั้งวัดกัน นงหลวงปู่มั่นก็มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้านหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวหลวงปู่จวนหลวงปู่วันปไปหมดดังนั้นเะลาท่าน มรณะภาพไปอธิท่านก็กลายเป็นพระธาตุกันหมดแคือแดนแดนของพระอริยะในสมัยปัจจุบันอยู่แถวภาควิสานครูบาอาจารย์ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบพระเนรต้องเดินทางไปแถวภาควิสานกันนะเพื่อศึกษาไปจากทุกภาค ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคใต้เดินทางไปศึกษาไปอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะไม่มีครูบาอาจารย์นี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกทิศทางที่ถูก mm hmm. ก็เหมือนกับเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนก็จะหลงทางเรียนไม่ถูก เรียนไม่จบถ้ามีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเรียนตามหลักสูตรที่ครูอาจารย์สอนเดี๋ยวไม่นานก็เรียนจบกันหลักสูตรของพระพุทธศาสนาก็ต้องมีครูมีอาจารย์ครูอาจารย์ของพระพุทธศาสนาก็คือพระอริยบุคคลส ประเภทด้วยกันคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาารอะอรหันต์น้าละท่านก็สอนได้ในระดับความรู้ของท่านพระโสดาบันก็สอนได้ในระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีก็ระดับสกิดาคามีพระอนาคามีก็ระดับอนาคามี พระอรหันก็ระดับพระอารหรันเป็นเหมือนระดับปริญญา <c oughs> ตีโทเอกถ้าอยากจะเรียนท่านสูงสุดก็ต้องเรียนจากพระอารหรันต์พระอริยบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้ ฟังเพลงก่อนพักก่อนฟังเพลงขั้นเหมือนฟังโฆษณ า, าใครมาที่นี่ถ้าจะเมตตาก็ช่วยเปิดเครื่องมือถือให้ด้วยนะะบางที <c oughs> สัญญาณมันก็มาชนกับสัญญาณถ่ายทอดเดี๋ยวทางบ้านเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องบางทีเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าสัญญาณโทรศัพท์มัน มามาชนกันทาให้สัญญาณทางบ้านเขาไม่สามารถติดตามถ่ายทอดส่ได้ตอนนี้เราไม่ต้องติดต่อกับใครหล่วตอนนี้เรามาติดต่อกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยไปติดต่อกันต่อตอนนี้เรามาติดต่อกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน มาเองะบิดจ้ะบิดคือบิดตะวตาต่างประเทศเอก็จะไปติดต่อก็ไปติดต่อที่อื่นที่นี่เราจะติดต่อกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เเห็น่อาสร็จแล้วยังเดี๋ยติ้งตองติ้งตองอีก กำลังเล่าเรื่องพระวิสาเนี่ยเป็นแหล่งของพระอริยะของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันสมัยปัจจุบันอยากจะไปพบกับพระอริยะเนี่ยต้องไปแถวภาควิสาจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายสกล น, นครนี่กลุ่มใหญ่อยู่แถนั้นนอกนั้นก็ขอนแก่นก็มีบ้างจังหวัดเลยก็มีบ้าง อุบลก็มีมีแถวจังหวัดภาคอีสานนี่มีกันเยอะแยะเลยเหมือนครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นสิทธิหลวงปู่มัน่นหรือเป็นสิทธ์สายหลวงปู่มั่นเนี่ท่านเหมือนกับเป็นวิทยาเขตของจุฬาหรือธรรมศาสตร์เนี่ยไปตั้งตามจังหวัดต่างๆพ mm hmm. ระกรรมฐ า, านสายหลวงปู่มั่นนี่ก็เป็นเหมือนกับ มาวิทยาลัยจุลาหรือธรรมศาสตร์แล้วครูบาอาจารย์ที่เรียนจบท่านก็ไปกลับไปถิ่นฐานของท่านกลับไปบ้านเดิมของท่านท่านก็ไปตั้งสาขาของสายหลวงปู่มั่นขึ้นมาเพราะท่านเรียนจบมาแล้วท่านรู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องท่านก็นําเอาไปเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่ไปศึกษาไปปฏิบัติก็สามารถเรียนจนจบ หลักสูตรได้การจะจบหลักสูตรนี้ก็ต้องมีการศึกษามีการนั่งเรียนมีการปฏิบัติตามหลักสูตรก็ต้องมีคนสอนอคนบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างไรพระปานี้ท่านก็มีสีลสองยี่บเจ็ดข้อเป็นพื้นฐาน แล้วท่านก็มีทุดงขาวัตเป็นข้อปฏิบัติที่สนับสนุนทุดงขาวัดของพระป่านี้ท่านจะถือหนึ่งการบินทบาทเป็นวัดท่านจะถือเป็นกิจจวัตรประจําวันเวลาวันไหนจะฉันอาหารก็ต้องออกไปบินทบาทจะไม่ให้ญาติโยมมาส่งอาหารที่วัดน ถ้าจะฉันก็ต้องบินธบาตถึงแม้บางวันจะไปรับกลิดนนิมนต์ท่านก็ยังไปบินธบาตก่อนบินธบาตแล้วค่อยไปไปกยิตินิมนต์ตามบ้านเพราะการบินธบาตนี่มันเป็นการขัดเกลกิเลสคือความเกียดข้าพวกเรามันชอบขยันกินกันแต่ไม่ชอบขยันหากัน ถ้าการเชิญไปกินนี่ออกไปแต่ถ้าต้องหาเองนีก็ล้ขี้เกียจดังการบินธบานี้เป็นการบังคับให้มีเกิดความเพียรเกิดความขยันขึ้นมาพระป่าท่านถึงถือทุ ด, ดงขวัตข้อนี้มากเพราะพระพเจ้าให้ความสำคัญกับการบินธบาน เป็นวิธีเลี้ยงชีพของพระที่ถูกตั้งเป็นสัมมาชีพสอนตั้งแต่วันแรกเลยพอบวชก็สอนแล้วว่าให้บินทบาตไปจนวันตายให้เลี้ยงชีพด้วยลำแข้งลำขาของตนอย่าเกียดค้านเพราะเกียดค้านจะนำไปสู่ความหายนะจะเรียนไม่จบจะปฏิบัติไม่หลุดพ้น ต้องมีพื้นฐานคือความขยันหมั่นเพียรดังนั้นการรับประทานอาหารนี่มันเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงอย่าปล่อยให้คนอื่นเขาหามาให้เราเราไปหาของเราตามหน้าที่ของเราเราจะได้ไม่เกลียดค้านกันจะได้มีความเพียรเดินบินณฑบาทนี่ก็สามารถเป็นการเดินจงกรมไปควบคู่กันไปได้ เดินบินทบาทก็มีสติอยู่กับการเดินเปิดฝาบาทปิดฝาบาทไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ใจรู้อยู่กับการเดินกับการเปิดฝาบาทรับอาหารปิดฝาบาทการเปิดปิด้าบาทจึงไม่มีเสียงดังสำหรับพระที่มีสติท่านจะเปิดปิดด้วยการมีสติจะมีความระมัดระวัง มันเป็นการปฏิบัติไปในตัวการบินทบาตนี้ได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจอาหารกายก็คืออาหารที่ญาติโยมใส่มาในบาทอาหารใจก็คือสติมีสติคอยเฝ้าควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเวลาบินฑบาตก็ให้ยินดีตามมีตามเกิด อย่าไปยากได้อาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้เดินไปตามทางที่เขากำหนดให้เดินอันนี้เป็นข้อทุดงควัตรที่สำคัญที่จะช่วยให้พระได้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วพอกลับมาถึงวัดก็ให้เอาอาหารที่ได้มาใส่ไปในบาตร ฉันในบาทรฉันในบาทเป็นเอาบาตเป็นภาชนะไม่ใช่ช่วยชามไม่ใช่ช้อนไม่ใช่อะไรใช้มือนี่แหละช้อนช้อนดั้งเดิมสมัยก่อนไม่มีช้อนจะกินอะไรก็ต้องใช้มือกินกันนอะสมัยพุทธกาลท่านก็ไม่มีช้อนท่านก็ใช้มือช้านกัน อาหารทั้งหมดก็ใส่เข้าไปในบาตรอาหารที่จะฉันที่จะรับประทานเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปรวมกันในทอ้องก็วิธีฉันแบบนี้เพื่อฉันเพื่อธรรมะฉันเพื่อฆ่ากิเลสกิเลสที่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารกิเลสชอบแยกแยะอาหารอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ต้องกินอาหารชนิดก็ชนิดนี้ก่อนชนิดนี้หลัง กินพร้อมกันไม่ได้ปนกันไม่ได้เปื่อนกันหน่อยก็กินไม่ได้แลของขาวมาถูกของหวานหน่อยก็ไม่อร่อยแล้วเสียอารมณ์กินแบบภาคกรรมฐานนี่ท่านกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุขจากการกินกินเพื่อดับความหิวของร่างกายกินเหมือนกินยากินรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้วันวันหนึ่ง วิธีกินต้องระวังเพราะว่ากิเลสมันจะมาใช้การกินนี้เป็นเป็นช่องของของมันกิเลสตัณหามันอยากจะกินแบบตามใจชอบตามใจอยากแล้วมันก็จะเป็นปัญหาพอได้พอไม่ได้กินของตามใจอยากก็กินไม่ลงทุกข์อกีกทุกข์จากการกินเองแต่ถ้ากินด้วยธรรมะนี่จะไม่ทุกข์ ให้กินอะไรก็ได้ที่มันไม่ทาให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกินแล้วดับความหิวกินแล้วรักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติแล้วก็วิธีกินก็อยู่ที่กิเลสของคนกินว่ามีกิเลสหนาห ร, หรือบางท่านก็แบ่งไว้สามระดับกิเลสที่ บางท่านก็เอาอาหารใส่บาตรโดยที่ไม่ได้แยกใส่เข้าไปใส่ข้าวใส่กับของค้าของหวานใส่เข้าไปไม่ได้ไปจัดมันใส่ไปตรงไหนก็ได้ี่เป็นพวกที่กิเลสกิเลสบางต่อมาอีกพวกหนึ่งก็พวกที่ต้องแยกหน่อย แยกข้าวไว้มุมหนึ่งแยกกับไว้มุมหนึ่งแยกขนมของของหวานไว้มุมหนึ่งอีกอีกพวกหนึ่งที่หนาขึ้นกิเลสที่หนาขึ้นหนาสุดนี่ถ้าบอกว่าต้องใส่เข้าไปแล้วคุกมันคนมันเลยทั้งข้าวทั้งกับทั้งของหวานทั้งผลไม้ใส่เข้าไปในบานิ่งไม่พอแล้วต้องคนมันด้วยคุกมันให้เป็นเหมือนข้าวข้าวผัดนี้ แล้วค่อยกินเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องเดี๋ยวมันก็ต้องไปคนกันอยู่ในท้องอยู่ดีถ้าจะให้มันอเหมือนจริงก็ต้องถุยน้ำลายใส่ก็ไปด้วยเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปผสมกับน้ำลายในปากเราอยู่ดีนีนสําหรับกิเลสหนามากกใ็ให้กินแบบนี้ฆ่ากิเลสกินแบบฆ่ากิเลสด้วยนี่คือวิธีฉันของพระพระปฏิบัติท่าน ท่านมีสามวิธีการฉันในบาตรถ้ากิเลสมากก็เอาแบบเนี้ยเอาเข้าไปแล้วก็คุกกับคนมันเลยทุกอย่างของที่จะเข้าไปในท้องนี่ก็ให้มันปุ๊บคนกันอยู่ในบาตก่อนใช้บาตเป็นท้องแทนก่อนแล้วก็ค่อยกินเข้าไปพวกที่เบากิเลสไม่บางหน่อยก็แบบแบบแบบไม่ต้องไปคนมันใส่เข้าไปแต่ไม่ต้องไปแยกมัน ใส่ไปตรงไหนก็ได้กับข้าวอะไรใส่ก็ไปส่วนพวกที่เบากิลเลสบางก็แยกได้ไม่เดือดร้อนกินแบบไหนก็ได้ท่านก็แยกเพื่อเพราะไม่มีปัญหาเรื่องกินท่านกินสบยสบายๆก็มีสามวิธีด้วยกันอันนี้ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พระป่าใช้กัน ซึ่งพากในบ้านในเมืองเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกวิธีนี้แม้แต่ฉันในบ่ายเขาก็ไม่ฉันกันเขาก็มีภาชนะมีสํำรับอะไรต่างๆที่ญาติโยมจัดมาประเค้นจัดมาถวายให้อันนี้ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติในระดับของศีลนทุดงควัดนี้อยู่ในระดับของศีนแต่เป็นศีลที่ไม่ได้บังคับมี อยากจะมีศรัทธาปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ถ้าไม่มีศรัทธาหรือไม่มีกำลังที่จะสู้กิเลสปฏิบัติไม่ได้ท่านก็ไม่ไม่ห้ามไม่ถือว่าผิดไม่ถือว่าเป็นโทษเพียงจะทำให้การปฏิบัติล่าช้าเรียนจะจบช้าถ้าอยากจะเรียนจบเร็วนี่ต้องถือทุดงควัตนวเพราะมันมี ม, นมีกำลังมากกว่ามีกำลังที่กาจัดกิเลสตัณหาได้มากกว่า เดิน บ, บินทบาทก็กำจัดกิเลสความเกียดข้านฉันในบาท ก, ก็กำจัดกิเลสที่ติดในรูปในรถของในกลิ่นของอาหารอันนี้ก็เป็นวิธีแก้กิเลสอีกข้อหนึ่งก็คือฉันมือเดียวคือไม่ฉันมากฉันพออยู่ได้ก็พอถ้าฉันหลายมือมันก็มันก็จะทำให้ ฉันตามกิเลสไม่ได้ฉันตามความต้องการของร่างกายร่างกายนี้ฉันมันหนเดียวให้มันเต็มท้องไปเลยไม่ต้องแบ่งเป็นสามสามมือ้อสองมือ้อมันก็มันก็อยู่ได้เหมือนกันเหมือนเติมน้ํามันรถเราจะเติมทีให้เต็มถังเลยก็ได้หรือจะแบ่งเติมทีละครึ่งถังก็ได้ก็ต้องเติมหลายหนหน่อยถ้าแบ่งเติม มันจะได้กำจัดเรื่องพละของการขบฉันไปในตัวฉันหนเดียวแล้วก็จบม้วนเดียวจบไม่งั้นเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงต้องมาฉันเพนอีกแล้วก็จะมาเสียเวลาเอาเวลาที่มาฉันเพนนี้ไปปฏิบัติทมดีกว่าไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นทุดดวงวัดอีกข้อที่พระป่าปฏิบัติกันะ ฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียวท่านเรียกนั่งฉันขนเดียวพอลุกแล้วก็ไม่ฉันอีกต่อไปอีกข้อหนึ่งก็บางวัดท่านก็ถือกันบางวัดก็ไม่ถือหรือบางวัดถือในช่วงเข้าพรรษาคือจะรับอาหารแต่ที่ได้มาจากบิณฑบาตเท่านั้นถ้าญาติโยมตามมาที่วัดจะมาถวายก็จะไม่รับเพราะไม่ต้องการอาหารมากต้องการอาหาร พอเลี้ยงปากเรี้ยงท้องได้อาหารมากก็กลายเป็นภาระต้องมาเพราะยังไงก็ไม่ได้กินอยู่ดีเอามาแล้วก็ต้องเอามาจัดเอามาแจกให้ลูกศิษย์โรกขากินอย่างนี้ <c oughs> กินไม่หมด <c oughs> ต้องการน้อ ย, อยความมักน้อยสันโดษนี่เป็นธรรมที่จะฆ่ากิเลสความโลภมากความจู้จี้จุกจิกต้องใช้ความมาักน้อยสันโดษ ที่วัดป่ามนตัน้ในช่วงเข้าพรรษาญาติโยมถ้าอยากจะใส่บาตรแล้วต้องใส่ที่นอกวัดนตั้งโต๊ะเป็นแถวยาวเหเอียดเลยเพราะถ้าพระเข้าไปในวัดแล้วก็จะไม่รับไม่รับอาหารที่ญาติโยมจะตามเข้าไปใส่ในวัดในช่วงในช่วงเข้าพรรษานี้ญาติโยมที่อยากจะใส่บาตรอยากจะถวายอาหารให้กับพระก็เลยต้องรออยู่ที่หน้าประตูวัด กระากลับมาจากบินทบาทก็ต้องมาบินทบาทอี ก, อกรอบมีญาติยมรออยู่ที่ปากทางเข้าวัดอันนี้ก็เป็นทโดงควัดเป็นข้อวัดของพระป่าที่ท่านปฏิบัติกันว่ามันเป็นวิธีที่จะกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆต้นเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกัน กลับมาเวียนไหวตายเกิดกันพระพุทธเจ้าก็เลยเค้นคว้าหาวิธีกำจัดข้ากิเลสก็ทรงคนพบทุดงคาวัตแต่ทรงเห็นว่ามันเป็นการปฏิบททัติที่ที่ยากถ้าบังคับเดี๋ยวจะไม่มีใครบวชกันก็เลย ปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาคือบวชใหม่ๆอาจจะยังไม่มีกำลังแต่ถ้าบวชไปสักระยะแล้วฝึกฝนบรมจิตใจแล้วก็อาจจะมีกำลังก็อาจจะสมาธานถือธุดงควัตต่อไปก็ได้ก็เลยไม่ได้กำหนดไว้ในศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อแต่ศีลสองอยี่บเจ็ดข้อนี้ทรงกำหนดไม่ให ไม่ให้บกพร่องไม่ให้ขาดต้องรักษาให้เรียบร้อยให้ครบได้ครบถ้วนบริบูรณ์ mm hmm. เพราะศีลจะช่วยทำให้ mm hmm. กิเลสตัณหาต่างๆมันไม่มีช่องออกมาเล่นมาแสดงตัว mm hmm. มันก็จะเหมือนถูกขังอยู่อยู่ในใจจะออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่ได้เพราะมีศีลคอยปิดกั้นเอาไว้ มันก็จะทาให้เวลาที่เราจะฆ่ากิเลสมันง่ายเพราะมันจะไปรวมอยู่ในที่เดียวมันจะไปรวมอยู่ในใจถ้าให้มันออกมาทางกายทางวาจานี่มันก็จะทำให้ฆ่ามันลาบากเพราะมันไปได้หลายที่สินแต่ละข้อนี้เป็นเหมือนช่องที่กิเลสมันออกไปพระพุทธเจ้าก็เลยต้องตั้งสินข้อเหล่านี้มาปิดกั้นไม่ให้มันออกไป ให้มันถูกกักขังเหมือนกับเวลาเราจ ะ, ะแต่เมื่อเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเราจะจับไปฆ่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องล้อมมันไว้ในคอกถึงเวลาจะไปจับไปฆ่ามันก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีคอกนี่ปล่อยให้มันออกไปกินหญ้าในทุ่งเวลาจะจับแต่ละตัวนี่มันก็เหนื่อยแต่ถ้ามีคอกล้อมไว้นี้เวลาจะเอาตัวไหนไปฆ่ามันก็ง่าย นี่คือหน้าที่ของศีลศีลเป็นเหมือนรั้วเป็นเหมือนคอกที่จะคอยกั้นไม่ให้กิเลสของเรานี่ออกไปไกลเพราะว่าถ้ามันออกไปไกลแล้วก็จับมันยากคนที่ไม่มีศีลเนี่ยก็จะเอามาทําใจให้สงบยากเดี<ม>๋ยวก็ไปกินเล้าแล้วเดี๋ย<ม>วก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เดี<ม>๋ยวก็ไปลักขโมย เดี๋ยวก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ใจก็จะวุ่นวายไปกับเรื่องราวของกิเลสต่างๆแต่ถ้ามีศีลนี้มันก็จะช่วยลดความวุ่นวายของใจลงได้จะไปเที่ยวไปเล่นไปทำผิดศีลก็ทำไม่ได้แล้วก็จะทำให้การฆากิเลสมันง่ายขึ้น คนที่มีศีลนี่ก็จะทาให้สามารถจับกิเลสต่างๆมามัดได้ง่ายเช่นวัวควายก่อนที่เราจะฆ่ามาันเราต้องจับมันมามัดไว้ก่อนไม่ให้มันวิ่งไม่ให้มันดิน้นแล้วถึงจะใช้มีดฆ่ามันได้กิเลสก็เหมือนวัวควายเนี่ยที่เราจะต้องจับมาฆ่ามันตอนต้นก็ล้อมไว้ในข้อก่อนศีลนี่เป็นค้อขั้นที่สองก็จับมันมามัดไว้ เชือกที่มามัด ก, ก็เรียกว่าสติเราใช้พุโทโธพุโทโธไปนี่จิตมันก็จะคิดไปทางกิเลสไม่ได้คิดไปเที่ยวคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการไม่ได้แล้วพอนั่งเฉยๆมันก็จะสงบเวลาสงบ ก, ก็แสดงว่ากิเลสถูกอถูกเชือกมัดไว้นัน่นนะพอมันสงบนั่งแล้ว ก็ใช้ปัญญาข้ามมันได้ปัญญาก็เป็นเหมือนมีดมาตัดมาแทงมันให้มันตายนี่คือธรรมะขั้นต่างๆที่มันเป็นขั้นเป็นตอนที่เราไม่สามารถที่จะไปข้ามขั้นตอนได้ถ้าเราจะใช้มีดไปไล่ฟันมันฆ่า ม, มันนี่เหนื่อยไหมมันถึงแม้มันจะอยู่ในข้อแต่มันก็วิ่งอยู่ในข้อนะั่นเราไปวิ่งสู้มันไหวหรือเปล่า ปัญญาแบบที่ไม่มีสมาธิก็แบบนั้นเอามีดไปไล่ฆ่ากิเลสที่มันยังวิ่งได้อยู่มันยังหนีได้อยู่บอกว่าเป็นทุกข์มันก็เถียงว่าไม่ทุกข์บอกว่ามันไม่เที่ยงมันก็เถียงว่าเที่ยงใช่ไหมห็นไหมคนที่ดื่มโซลาบอกไม่ดีมันก็ดีคนที่ไปมีเมียน้อยบอกไม่ดีก็ยังดีเรื่อผัวน้อยก็ได้อย่น่มีน้อย เพราะว่ามันไม่มีสมาธิกันแต่ถ้ามีสมาธินี่มันไม่เถียงมันเถียงไม่ได้จิตมันนิ่งสงบแล้วมันรู้ว่าเวลามันมันมันเถียงนี่มันมันมันมันไม่ถูกอ่ะเพราะมันทำให้ใจเราไม่สบายเวลาใจสงบนี่ใจจะสบายแต่พอเวลากิเลสมันออกมาทำงานนี่มันจะทำให้ใจเราร้อนขึ้นมา ทำให้ใจเราเกระวนกระวายกระสับกระสายขึ้นมาคนที่มีสมาธิจะรู้โทษของกิเลสก็จะใช้ปัญญากำจัดมันทันทีแทนที่จะไปเถียงกับมันไม่เถียงกับมันนะมีแต่ไม่เอาอย่างเดียวไม่ทำอย่างเดียวกิเลสจะให้ทำอะไรก็ไม่ทำอย่างเดียวกิเลสบ อ, อกรรให้ไปหาเงินเงียไม่ไปหาลาบยศสรรเสริญหาสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ไป เพราะว่ามันสุกมันไม่สุกเท่ากับการที่จับกิเลสให้มันให้ทํากิเลสให้มันตายหรือจับมันมัดไว้เวลากิเลสถูกมัดไว้มันใจเราก็สงบเย็นสบายมีความสุขเน้นเรื่องอะไรเมื่อเราจับมันมัดไปได้เราเราไปปล่อยมันทําไมก็ฆ่ามันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับมันอีกต่อไปเพราะถ้าเราไม่ฆ่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อขาดมันก็ออกมาสร้างปัญหาให้เราได้เชื่อก็คือสติ เดี๋ยวถ้าเราเผลอสติป่อให้มันไปคิดถึงราบยศสารเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราให้เราไปหาราบยศสารเสริญ ส, สุขกันนี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนต้องเรียนจากคนที่เขาปฏิบัติมาแล้วเขารู้ทุกขั้นทุกตอนว่าสําคัญอย่างไรถ้าเรียนจากคนที่ไม่ได้ปฏิบัติ คนที่อ่านหนังอ่านอ่านหนังสือธรรมะอย่างเดียวนี้เดี๋ยวก็หลงทางกันอ่านไปแล้วเดี๋ยวก็ถูกกิเลสหลอก mm hmm. กิเลสมันฉลาด ค, คิดว่าจะไปฆ่ามันมันกลับสอนให้เราไปฆ่าอย่างอื่นแทนแทนที่จะฆากิเลสมันกลับให้เราไปฆ่าธรรมะคือวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราให้เราปฏิบัติแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกผลก็เลยไม่เกิดบรรลุธรรมก็เลยไม่ไม่บรรลุกัน ยังต้องไปเรียนจากคนที่เขาเรียนจบแล้วคนที่รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติทุกขั้นตอนรู้เลขโกลุบาต่างๆของกิเลสกิเลสมันไม่ได้ตายจากการที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมหรือจากการอ่านหนังสือเพราะพอเราฟังปุ๊บเดี๋ยวเราก็ลืมนะฟังตอนนี้เข้าใจเข้าใจเดี๋ยวพอออกไปเห็นของเห็นขนมนมเนยก็ลืมไปละกิเลสมันก็เข้ามา ดึงใจเราไปหาสิ่งต่างๆแะต้องปฏิบัติต้องฝืนต้องหยุดมันถึงจะรู้ว่ามันมันเป็นทุกข์อย่างไรและเวลากิเลสมันตายมันเป็นสุขอย่างไรแต่ตอนนี้ฟังอย่างเดียวมันไม่รู้เพราะตอนนี้กิเลสมันไม่ออกมาเพ่นพ่านมันไม่มาแสดงตัวเราก็เลยไม่ไม่เห็นโทษของมันดังนั้นขอให้เชื่อ คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนท่านสอนให้ทําทานก่อนแล้วก็รักษาศีลรักษาศีลห้าไปก่อนรักษาศีลห้าได้แล้วก็ขยับไปรักษาศีลแปด้ารักษาศีลแปดได้ก็ไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบไปทำไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วก็จะ สามารถใช้ปัญญามาฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆได้มันเป็นขั้นเป็นตอนต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วเวลาเราทำไม่ถูกท่านก็จะบอกเราเตือนเราสอนเราห้ามเราถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะถูกกิเลสหลอกให้ทำในสิ่งที่ ไม่ถูกแทนที่จะมาทำลายกิเลสกับมาทำลายธรรมคือการปฏิบัติที่ถูกต้องกิเลสมันก็จะหลอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งใช้ปัญญาได้เลยปัญญาสำคัญกว่าสมาธิแต่คนไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกต้องคนปฏิบัติถึงจะรู้ว่าสมาธิมันสำคัญกว่าปัญญาอย่างไรก็ เ, รเหมือนกับการที่เราจะไป ฆ่าวัวฆ่าควายในคอกต้องวิ่งไล่ฆ่ามันกับการจับปนมัดไว้ก่อนอันไหนมันจะง่ายกว่ากันจับมันมัดไว้ก่อนมัดมือมัดเท้ามันไว้แล้วค่อยเอามีดมาฆ่ามันมันง่ายกว่าถ้าไม่มัดมือมัดเท้ามันมันก็วิ่งหนีพอจะไปตามฆ่ามันมันก็วิ่งหนีเราก็ต้องวิ่งไล่มันวิ่งยังไงก็ไม่ทันมันมันเร็วกว่าเรา พวกที่บอกใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมาธินี่เป็นพวกที่ถ้าบรรลุก็รู้ด้วยความคิดไม่ได้รู้ด้วยความจริงคิดว่าบรรลุถึงขั้นนั้นแล้วบรรลุถึงขั้นนี้แล้วก็คิดไปเองแต่กิเลสยังไม่ได้ตายแม้สักตัวเดียวกิเลกกับมีเพิ่มมากขึ้นก็คือกิเลสความเห็นผิดความหลงเพิ่มมากขึ้นหลงว่าตนเองบรรลุแล้ว แล้วทีนี้ก็ไม่ปฏิบัติแล้วไม่ฆ่ากิเลสแล้วก็เอาไปรับใช้กิเลสกิเลสก็หลอกให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์นะไปสั่งไปสอนคนอื่นเพื่อจะได้หารายได้เอามารับใช้กิเลสมีรายได้มาก็เอาไปใช้ตามกิเลสที่ต้องกิเลสต้องการกิเลสมันก็ให้ไปเที่ยวไปหารูปเสียงกลิ่นรดไปทำอะไรต่างๆ พวงเราโชคดีชาตินี้ได้มาเกิดได้มาเจอครูบาอาจารย์ถึงไม่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ได้เจอสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ป้าอนันตสาวกทั้งหลายบรรดาหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังกิติศัพท์ของท่านท่านเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงรู้และได้บรรลุถึงธรรม อันเดียวกันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นสามารถสั่งสอนผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสให้หลุดพ้นได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนน า, นนานจะได้มาเกิดมาเจออย่างนี้สักครั้งหนึ่ง เพราะว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่ไดจ้จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดพระพุทธเจ้าก็ท่งปยากรว่าประมาณห้าพันปีก็จะหมดหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือจะไม่เข้าใจคำสอนเลยก็ได้ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วในยุคนี้คนบางคนไม่เข้าใจคำสอนเลยไม่เข้าไม่รู้ว่าฟังเทศฟั ง, งธรรมไปทำไมศึกษาธรรมะไปทาไม เดี๋ยนี้ทางบ้านทางเมืองเขาตัดวิชาพุทธศาสนาออกไปหมดแล้วนี่คือไม่เห็นคุณค่าของบราพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าวิชาต่างๆที่เราสอนอยู่ในโรงเรียนขณะนียไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวิชาแบบความรู้ท่วงหัวตัวไม่รอด แต่วิชาที่จะทำให้เราหลุดพ้นให้รอดพ้นจากความทุกข์กับไม่สอนกันก็คือวิชาทางพุทธศาสนามีมีวิชาเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่สามารถที่จะพาให้สับโลกได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่กับไม่สอนกันคิดดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่แหละคือความเสื่อมไม่ใช่ศาสนาเสื่อม ศรัทธาความเชื่อหรือสติปัญญาของสั์โลกมันเสริมลงไปมันถูกกิเลสเอาไปกินหมดพูนง่ายๆกิเลสมันมาหลอกว่าเฮ้ย mm hmm. ไปเรียนวิชานู้นดีกว่าวิชานี้ดีกว่าไปเรียนหมอเรียนแพทย์เรียนวิศวะ mm hmm. เรียนไปก็ได้อย่างมากกา็ได้เงินทองนะได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกปีนกายแต่ ความทุกข์ในหัวใจก็เต็มไปหมดเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนี้วิตกกังวลว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่เรียนวิชาพุทธศาสนากันสมัยเราเด็กๆกก็ยังมีสอนอพุทธศาสนาอยู่วันพา ย, ยังพาเด็กเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้กลับเห็นว่าเป็นวิชาราสมัยนี่แหละ ความฉลาดของกิเลสมันหลอกให้ใจเราเห็นของที่มีคุณค่ากลายเป็นของที่ไม่มีคุณค่าไปเหมือนพวกไก่ได้พลอยไก่เวลามันคุยเขี่ยวหาอาหารมันเจอพลอยมันเขี่ยทิ้งหมดมันเอาจากตัวตัวหนอนตัวไส้เดือนนะเพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยถ้ามันรู้ว่าไปขายได้ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนซื้อตัวหนอนได้มัน สามารถจะมีตัวหนอนกินได้ไปจนวันตายเลยมีเพชรเม็ดเดียวมีพลอยเม็ดเดียวไม่ต้องมานั่งกุดคุย้ยเขียอยู่ทุกวี่ทุกวันพวกเราก็เหมือนกันกลับไปเห็นวิชาต่างๆเป็นวิชาดีแย่างการเข้ามาหาลายัยเรียนพิเศษกันแทบเป็นแทบตายกันทุกวั น, นเด็กๆขนาดอนุบาลก็ยังเรียนพิเศษกันเลยนด อยากจะเข้าโรงเรียนดีๆเพราะโรงเรียนดีๆมีครูดีๆสอนวิชาดีๆเรียนจบมาแล้วจะได้งานดีๆได้เงินเดือนดีๆก็ ค, คิดกันแค่นี้ล่ะคิดแต่เอาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนแต่ไม่คิดถึงเพรถึงพลอยของพระพุทธศาสนาไม่คิดถึงพุทธรัตรนะธรรมรัตรนะสังครัตรนะไม่คิดถึงพระรัตรนไตรว่ามีคุณค่ามหาศาลขนาดไหน มสาศางขนาดทาให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดทำลายภพชาติได้หมดเนี่ยภพชาติที่เราสร้างกันมาเป็นกี่แสนกี่ล้านชาตินี้เราจะสามารถหยุดสร้างได้ด้วยวิชาของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มีวิชาของพุทธศาสนาเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาแล้วก็ต้องมาเนี่ยทำแบบนี้ใหม่แย่งกันเรียนแย่งกันกินแย่งกันหางาน แย่งกันหาเงินแย่งกันเที่ยวแย่งกันตลอดเวลาคนไหนอ่อนแอกว่าก็สู้คนที่แข็งแกร่งกว่าไม่ได้คนอ่อนแอกว่าก็ต้องทุกไปอยู่แบบทุกข์ยากอัตคัดขัดสนไปเนื้ออยู่แบบทำบาปเพราะสู้เขาด้วยวิธีที่ไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยวิธีทำบาปกันก็ต้องเลยต้องไปติดคุกติดตารางกันอี่ นี่แหละคือวิชาทางโลกที่เราเรียนกันมันนำพาเรากลับมาหาความทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าวิชาทางธรรมนี่วิชาของพระพุทธศาสนาเรียนจบแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาวุ่นวายแบบที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันเลแต่ไม่มีไม่กลับไม่เห็นคุณค่ากัน วิชาพุทธศาสนาถูกตัดทิ้งไปหมดนะในโรงเรียนกลายเป็นสังคมวิชาสังคมไปเรียนทันเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายกันมีปัญหาตลอดเวลามีคนคดคนโกงมาคอยมาคอยกินบ้านกินเมืองอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าไม่สอนวิช วิชาของพระพุทธศาสนากันไม่สอนเรื่องศีลและธรรมความดีงามกันสอนแต่วิชาวิชาหากินกันห า, าะลาภยศสรรเสริญกันนี่แหละคือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเสื่อมด้วยอํานาจของกิเลสตัญหาในใจของพวกเราเนี่ยนะกิเลสมันจะหลอกให้เราไม่ให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ไม่เห็นคุณค่าของพอำำอระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามันจะให้เราเห็นแต่คุณค่าของลาบยศ ส, สรรเสริญซึ่งเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้ดีนี่ลาบยศ ส, สรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันก็ให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดพอไปฮุบเหยื่อแล้วมันก็ติดเนี่ยนนตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก ่ อ, อไปฮุบลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้กายแล้วก็ติดแล้วสิติดเหมือนติดยาเสพติดะนะยังี้เวลาที่ไม่มีให้ฮุบนี่ก็จะทุกข์ละเวลาไม่มีลาบก็ทุกข์ละเวลาไม่มียศก็ทุกข์ละเวลาไม่มีการสรรเสริญก็ทุกข์ละเวลาไม่ได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ทุกข์กันละมองไม่เห็นความทุกข์ มองไม่เห็นความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสว่ามันไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันมีมาได้มันก็มีไปได้มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีเกิดได้ก็มีดับได้ชอบดูแต่เวลามันเกิดชอบดูแต่เวลามันเจริญชอบดูตอนเวลาที่มันมาไม่ยอมมองเวลาที่มันไปบ้างเพราะไปแล้วมันไม่ มันมันอารมณ์ทําให้อารมณ์หดหูพอคิดถึงแฟนตายคิดถึงสามีภรรยาอาจจะต้องตายจากไปนี้ไม่ยอมคิดกันคิดแล้วมันไม่สบายใจแล้วพอเขาจากไปจริงๆก็ยิ่งไม่สบายใจถ้าคิดไว้แต่แรกมันก็จะไม่ทุกข์มากเพราะเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ไปยึดไปติดเขาไม่ไปติดแบบยาเสพติดหาก ติดแบบติดบ้างไม่ติดบ้างมีก็ได้ไม่มีก็ได้หัดอยู่แบบแยกกันอยู่บ้างอยู่ด้วยกันบ้างะจะได้รู้ว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่ตายหรอกไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพอไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาพอไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่มันจะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีพราะไม่รู้จักวิธีปรับใจท่านั้นเองใจปรับตัวเองไม่เป็น แต่ถ้าเราต้องแยกกันอยู่บ้างเช่นวันพระนี่คนหนึ่งไปอยู่วัดคนนึงอยู่บ้านแยกกันอยู่ถือศีลแปด ก, กันไปจะได้ปรับการแยกกันอยู่บ้างว่ามันไม่ตายหรอกเราจะได้หาวิธีอยู่แบบอยู่คนเดียวบ้างเพราะต่อไปเราจะ ต, ต้องอยู่คนเดียวแหละใครจะมาอยู่กับเราได้ตลอดก็ต้องมีการล้มหายตายจากกันไปไม่เขาก็เรานี่คือเรื่องของธรรมะที่ พวกเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันไม่ได้ศึกษากันก็เลยไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ทำใจไม่ได้บางทีก็อยากจะฆ่าตัวตายไปก็มีพอเวลามันทุกข์มันทรมานใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นวันวั น, วนเป็นคืนคืน mm hmm. นี่แหละคือความสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่จะถูกอิกิเลตันหามามาบดมาบางังมาปิดทับให้เห็นว่าไม่เป็นสิ่งที่สำคัญไปสมัยนี้วันพระก็ไม่ตรงกับวันหยุดแล้วคนที่จะเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะก็ไม่ได้เข้าแล้วเพราะวันพระก็เป็นวันที่ต้องไปทำงานทั้งท่านที่เมืองไทยเป็นเมืองพุทธมีชาวพุทธอยู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แต่กลับไปหยุดวันของวันคลิสของาศานสนาคลิสกันศาสนาคลิสเขาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราก็ไปตามเขาแล้วเราก็ทิ้งวันหยุดของเราวันพักของเราไปเราก็เลยไม่ได้เข้าวัดกันพอวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่ไปวัดกันเราก็ไปแหล่งท่องเที่ยวกันไปศูนย์การค้าไปสวนสนุกกันมันก็เลยยิ่งมืดบอดใหญ่ยิ่งไม่ได้ ยินได้ฟังธท ร, ร ม, มันก็ยิ่งมืดบอดเข้าไปใหญ่ยิ่งนุ่มยิ่งหลงก็ไปใหญ่แล้วพอเกิดทุกข์ขึ้นมานี่ก็จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ได้แล้วก็อาจจะดับความทุกข์แบบไม่ถูกต้อง mm hmm. บางทีตัวเองทุกข์ไม่พอฆ่าตัวเองไม่พอต้องฆ่าคนอื่นด้วยเป็นข้อครัวบางข้อครัวพ่อทุกข์มากไปฆ่าลูกฆ่าเมียด้วยเลยเพราะไม่อยากจะทิ้งให้เขาอยู่อย่างลาบาก เขาจะลำบากอะไรเขาก็อยู่ของเขาได้เราอยากจะฆ่าตัวเราก็ฆ่าตัวเราไปสิก่อนจะฆ่าเขาถามเขาก่อนเว่าเขาอยากจะให้ข่าหรือเปล่าบางทีก็ไปคิดผิดกบนะั้นคิดว่าถ้าไม่มีเขาแล้วครอบครัวจะอยู่ไม่ได้ไม่มีตัวเขาแล้วก็เลยต้องฆ่าทั้งครอบครัวเลยนี่แหละคือความมืดบอดของจิตใจไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมมันจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับความทุกข์ต่างๆความทุกข์ต่างๆมันเกิดจากความอยากของเราเท่านั้นนะ่ะถ้าเราหยุดความอยากได้ความทุกข์มันก็หายไปเวลาทุกข์มากๆก็พุทธโทธพุทธโทธไปอยา่าไปคิดอะไรพอหยุดความคิดถึงเรื่องที่เราอยากได้เดี๋ยวมันก็หายอยากพอหายอยากความทุกข์ก็หายไปใจก็สงบ ก็อยู่กับเหตุการณ์อยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับความสูญเสียได้แต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ไม่มีวันหรอก mm hmm. เวลาทุกนี้ก็แก้ไม่เป็นแทนที่จะแก้กลับไปทำให้มันหนักยิ่งขึ้นแทนที่จะฆ่ากิเลยก็ไปฆ่าตัวเองเอนแทนที่จะไปแท้ความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ก็ไปฆ่าร่างกายที่มันไม่รู้อีหน่วยเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็มากลาวมาเล่าว่าเขาขอบคุณมากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะเขาเพิ่งเสียพ่อเขาไปไม่กี่วันเ้าบอกว่าเขาอาศัยธรรมะที่เขาได้ยินได้ฟังนี่ช่วยคุ้มครองรักษาใจของเขาไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายเขาก็ทำหน้าที่ของเขาดูแล รัษาพ่อไปอย่างเต็มที่พ่อไปเขาก็ไม่ได้ร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอะไรเพราะเขาได้ยินได้ฟังทำมาแล้วเขารู้แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นเขาก็พยายามสอนใจฝึกใจทําใจให้สงบเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ทําใจให้เป็นอุเบกขาไปทําอะไรไม่ได้เรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย ไม่มีใครมาห้ามไม่มีใครมายับยั้งได้เมื่อถึงเวลามันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนคนที่มีธรรมะก็จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจแต่คนที่มีไม่มีธรรมะนี่จะวุ่นวายใจจะทุกข์แล้วอาจจะอาจจะทำอะไรไม่ดีก็ได้อาจจะฆ่าตัวเองตามไปด้วยก็มีบางคนเสียคนรักไปก็คิดว่าอยู่คนเดียวไม่ได้นะขอตายตามคนรักไปก็มี ฆ่าตัวตายตามไปนี่แหละคือเรื่องของการไม่มีศาสนาต่อไปโลกจะเป็นอย่างนี้โลกจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายดูดูสังคมที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเขาจะพึ่งราบยศเสริญพึ่งลูกเสียงกลิ่นนสเพึ่งร่างกายพอถึงเวลาที่เขาพึ่งร่างกายไม่ได้เขาก็จะคิดฆ่าตัวตายกันดี๋ยวนี้มีการ ออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายได้ให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้ถ้าตัวเองไม่กล้าฆ่าตัวตายก็ให้หมอช่วยฉีดยาให้ก็ได้นี่แหละคือวิธีการดับความทุกข์ของคนที่ไม่มีาศาสนาต่อไปจะใช้การฆ่าตัวตายเป็นวิธีดับความทุกข์กันแล้วก็ไม่ได้เป็นวิธีเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนะ แล้วทุกครั้งที่กลับมาเกิดก็จะมาฆ่าตัวตายแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วเราก็ไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะเป็นปกติใจของเราไม่เดือดร้อนอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นเราอ่ะเราไปหลงไปคิดว่าเป็นเราแล้วไปพึ่งมันเราพึ่งอย่างอื่นก็ได้ไม่มีร่างกายเราก็พึ่งธรรมะได้พึ่งสติได้พึ่งสมาธิได้ นั่งสมาธิทำใจให้สงบก็มีความสุขทดแทนได้ไม่ต้องมีร่างกายมาหาความสุขให้ก็ได้ก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายด้วยนี่แหละคือความสำคัญของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่รู้ลองไปดูสังคมที่ไม่มีพระพุทธศาสนาดูวิธีเขาแก้ปัญหาของความแก่เจ็บตายเพราะค่เ ข, า, ข, า, ข, า, ขาแก้กันอย่างไรเขาแก้กันด้วยการฆ่าตัวตายนะ ก็ขอให้เราเห็นคุณค่าของพระศาสนาคุณค่าของพระพุทธเจ้าคุณค่าของพระธรรมคําสอนคุณค่าของพระอัลันก า, าสาวกผู้ที่จะช่วยสั่งช่วยสอนให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างญาติโยมที่มาจากหนองคายเป็นญาติโยมที่มีบุญมากได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ได้เข้าวัดได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ กออองง็อยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างปกติไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจมากถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำไม่รวยทางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแต่จิตใจเย็นมีความสุขกันไม่เหมือนกับคนที่อยู่กับความเจริญทางวัตถุมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจกันตลอดเวลาเพราะวัตถุนี้มันไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้มันต้องเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเกาะติดกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่าอยู่ปราศจากพระธรรมคําสอนอย่าอยู่ปราศจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะไม่ต้องมาทุกข์ไม่วุ่นวายใจเหมือนกับพวกที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิตูทินังเปตาณังอุปการปติอิชิตังปฏทถังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามานิโชติ ระโสยะถาสภิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิตสะนิจจังวุทฒาปะจายิโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขัง า่ไงางแต่นี่ยังทำทัวร์อยู่เปล่าแล้วเลิกละยังป่วยยังป่วยอยูอป่วยตั้งแ่ปีนะยังไม่ได้ทางานเลยเลยยังไม่ฆ้าตัวตายนะหลุดไปบ้าง ไม่ก้าหน้าก็ไม่พูดโทรบ่อยพูดโทรน้อยมันก็เลยไม่ก้าหน้าพูดโทรบ่อยๆแล้วก็ก้าวง่ายใจหยุดต้องอะไรต้องใจหยุดใจนิ่งบ้างแต่ว่าไม่ก้าวจับลาขอบารมีประพูดประทำประสงค์เลอ ของเราไม่มีหรอกมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ